กรุงศรีอยุธยาในสมัยที่เป็นราชธานีมีความยิ่งใหญ่ ยุคนั้นอาณาประชาราชล้วนมีชีวิตที่สุขสบายขุนนางพ่อค้าและก็ชาวบ้านทั้งหลายต่างก็มีฐานะรุ่งเรืองจึงสะสมแก้วแหวนเงินทองและก็ของมีค่าไว้มากนะคะจนกระทั่งเกิดสึกสงครามครั้งใหญ่กรุงศรีอยุธยาถึงคราวพ่ายแพ้แก่พมา่าเหล่าผู้คนขุนศึกขุนพลทหารช้างม้าวัวควายถูกฆ่าตายกราดเกลื่อนถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยศึกก็มากค่ะแต่ส่วนใหญ่อพยพหนีตายไปยังถิ่นฐานอันไกลนะคะ สำหรับทรัพย์สมบัติที่สะสมกันไว้นั้นนะคะถูกนําไปซุกซ่อนฝังดินเอาไว้ตามจุดต่างๆขุนนางข้าหบดีแล้วก็เจ้านายบางพระองค์นอกจากจะฝังสมบัติไว้แล้วยังถึงกับฆ่าบริวารหรือทหารของตนเองให้ตายโหงอยู่ตรงที่ฝังสมบัตินั้นเพราะหวังว่าจะให้วิญญาณของผู้ตายเนี่ยกลายเป็นผีปู่สมเฝ้าทรัพย์คอยเฝ้าสมบัติของตัวเองไว้นะคะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ200กว่าปีมาแล้วค่ะดังนั้นเมืองกรุงอยุธยานะคะที่เป็นเมืองเก่า ในปัจจุบันนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ก็เลยขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของวิญญาณที่มากจะมาปรากฏตัวให้เห็นตามสถานที่โบราณต่างๆแล้วก็วัดร้างนะคะประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณนี้ก็ได้กลายเป็นเรื่องเล่าขานกันสืบมาหลายเรื่องฟังแล้วน่ากลัวค่ะตื่นเต้นซึ่งท่านผู้เล่าเองก็ยืนยันหนักแน่นค่ะทุกๆเรื่องเนี่ยล้วนเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากกรุงเก่าลงมาจนถึงกรุงเทพ หรือว่าวัดปูเ่เถินย่านตะลิ่งชันนะคะวัดปู่เถินได้เป็นวัดที่บูรณะขึ้นมาใหม่บนที่ดินที่เคยเป็นวัดร้างแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสามสะค่ะในสมัยอยุธยาวัดนี้ต้องบอกว่าจเจริญรุ่งเรืองมากเนื่องจากหลักฐานในวิสุงคา ม, มสีมาเนี่ยระบุไว้นะคะว่ามีเนื้อที่ถึง35ไร่ทิศเหนือจรดคลองบางระมาดทิศตะวันตกจรดคลองขวางมะยมค่ะแล้วก็ลำคลองเหล่านี้แหละเป็นลำน้ําสายบูรณะที่พวก พม่าเนี่ยใช้เป็นเส้นทางเข้ามาสู่ชุมชนนะคะประมาณกลางปีพุทธศัก ร, 2, ราช2309ัาพม่าได้ยกกำลังขึ้นมาไล่ตีนะคะตามลำน้ำจนถึงวัดนี้ทหารพรม่าเองก็ได้บุกเข้ามาปล้นแล้วก็เข้ามาฆ่ากวาดต้อนผู้คนแล้วก็เผาทำลายวัดสามสระซึ่งก็รวมไปถึงวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยค่ะต่อมาอีกหนึ่งปีกรุงศรีอ ย, ยุธยาก็แตกแล้วก็ในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้นากองทัพสู้รบกู้เอกร จากพม่า ก, กลับมาได้โดยเร็วค่ะพระเจ้าตากทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาได้รับความเสียหายมากยากที่จะบูรณนะให้กลับมาเหมือนเดิมก็เลยย้ายนะคะมาสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแทนโดยใช้ที่ดินบริเวณวัดสามสระตั้งกองพันทหารม้าลาดตะเวนเป็นหน้าด่านป้องกันภยัยซึ่งขณะนั้นนะคะได้แต่งตั้งนายพันสุริยะเป็นหัวหน้ากองพันแล้วก็มีพันนายพัน เป็นผู้ช่วยอีกสองคนนะคะซึ่งตามตำนานก็ไม่ได้ระบุชื่อของนายพันทั้งสองเอาไว้นะคะพระเจ้าตากสินเองท่านก็ทรงครองกรุงธนบุรีได้ประมาณ15ปีค่ะก็เปลี่ยนแปลงการปกครองจากกรุงธนบุรีมาเป็นรัตนโกสินทร์เมื่อบ้านเมืองไร้ศึกสงครามแล้วก็สงบร่มเย็นดีแล้วกองพันทหารมาลาดตะเวนที่วัดสามสระก็ถูกยุบแล้วก็สั่งให้ย้ายเข้ามารักษาเมือง การยุบกองพันทหารม้าครั้งนั้นทำให้ในายพันสุริยะลาออกจากราชการทหารเนื่องจากรักและก็ห่วงแหนสถานที่แห่งนี้มากค่ะท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและก็จำพรรษาอยู่ที่วัดสามสะแห่งนี้ในขณะเดียวกันแม่บ้านของท่านก็ได้บวชเป็นแม่ชี อยู่เป็นโยมอุปถากนะคะพร้อมด้วยบริวาลชายหญิงส่วนหนึ่งวัดสามสะซึ่งเป็นวัดร้างก็ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่แล้วก็ท่านเหล่านี้ก็อยู่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะหลังจากที่ท่านทั้งสองเสียชีวิตไปแล้ววัด3ามสะก็กลับกลายเป็นวัดร้างอีกวาระหนึ่งแต่เป็นวัดร้างที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อนะคะว่าดวงวิญญาณของนายพันสุริยะและก็ภรรยาพร้อมกับเหล่าข้าทาสบริพารของท่านทั้งหลายยังคงวนเวียนอยู่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดดังนั้นจึง มีเหตุการณ์แปลกๆ ป, กปกรากฏให้เห็นมาจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่าวันเวลาจะผ่านล่วงเลยไปถึง200ปีแล้วก็ตามค่ะชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ยังคงพบเห็นดวงวิญญาณของนายพันสุริยะกันอยู่เสมอ ปู่เถนที่มาของวัดนี้ในปัจจุบันนะคะก็คือดวงวิญญาณของชายไวยชราค่ะสวมใส่ผ้าขามมาท่อนบนเปลือยเปล่ามีผ้าสังฆาตพาดอยู่บนบ่านะคะก็ที่เป็นที่เชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณของนายพันสุริยะนะคะหัวหน้ากองทาหารมาลาดตะเวนในสมเน็จพระเจ้าต่างสินมหาราชที่มักจะมาปรากฏกายให้พบเห็นกันอยู่บ่อยครั้งท่านนี้ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าปูเ่เถน ซึ่งก็หมายถึงพระแก่หรือว่าคนแก่ที่ถือศีลค่ะในที่สุดก็กลายมาเป็นชื่อของวัดในปัจจุบันวัดสามสะ หรือว่าวัดปู่เถนได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่30กรกฎาคม2536โดยพระปรีชาจารุวังโสเจตนาแรกก็เริ่มในการสร้างวัดขึ้นมาใหม่นะคะในพื้นที่วัดร้างที่มีมาตั้งแต่เดิมนี้ก็เพื่อปลูกต้นไม้ปลูกป่าให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายทหารกล้าผู้ซื่อสัตย์ร่วมกอบกู้เอกราชของชาติไทยในสมัยกรุงทนบุรีนามว่าหลวงปู่เถนหรือว่านายพันสุริยะสืบไปค่ะเรื่องราว การสร้างวัดหลวงปู่เทนนะคะพระปรีชาจารุวังโสรักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันก็ได้การุณาเล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อปี36สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ตรัสในที่ประชุมคณะสงฆ์ว่าอยากให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นปอดของกรุงเทพมากขึ้นโดยอาศัยพื้นที่ว่างซึ่งเป็นวัดร้างมาตั้งแต่อดีตโดยให้สร้างเป็นสวนสาธารณะขึ้นมาทดแทนหรือไม่ก็ควรมีการบูรณะวัดร้างเหล่านั้น แล้วก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตใกล้เคียงดังนั้นค่ะทางวัดประดิษฐ์ารามกรุงเทพจึงได้มอบหมายให้พระปีชาจารุวังโสนะคะเข้ามาบูรณะวัดร้างแห่งนี้ขึ้นแต่การที่จะสร้างวัดให้กลายเป็นวัดใหม่สมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องยากแล้วก็ลำบากมากค่ะในครั้งแรกนะคะที่เข้ามานั้นบริเวณวัดสามสระร้างเป็นหนองน้ามีปากกกมีหญ้าท่วมสูงท่วมหัวเลยนะคะ แล้วก็ยังเป็นแหล่งที่อาศัยของพวกงูเห่าแล้วก็พวกงูพิษ อย่างชุกชุมเลยล่ะค่ะคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงก็ไม่มีใครกล้าเข้าเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นดงของงูพิษแล้วก็ยังมีอาถรรพ์มากมายอันเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านโดยทั่วไปนะคะรักษาการจเจ้าอาวาสได้เล่าต่อไปค่ะบอกว่าก่อนที่อาตมาจะเข้ามาสร้างวัดนี้ชาวบ้านในละแวกนี้บอกว่าให้อาตมาทราบว่าที่นี่เนี่ยเจ้าที่แรงก่อนหน้านี้เคยมีพระธุดงมาปักกลดอยู่หลายคณะแล้วและว่าจะสร้างวัดแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีพระรูปใดอยู่ได้นานต่างก็พับกรด เก็บข้าวของออกไปกันหมดครั้นอัตมามาปักกรดอยู่ในระยะแรกยามดึกสงัดได้นิมิตเห็นช้างป่าตัวเมือมาตกมันวิ่งส่งเสียงร้องด้วยความเกรี้ยกลาดไปทั่วบริเวณ สร้างความตกใจให้แก่อัตมามากเมื่อตื่นจากฝันก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้ช้างตัวนั้นคืนต่อมาก็ฝันอีกบอกว่าเป็นจระเข้ใหญ่ตะบึงมุ่งตรงมายังกรดของอัตมาแล้วก็วิ่งไปรอบๆกรดอยู่อย่างนั้นเหมือนดังว่าหมายจะเอาชีวิตอัตมาความฝันครั้งนี้ยาวนานมากและก็เหมือนจริงมากทําให้อัตมานึกถึงคําบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่แต่ถึงกระนั้นอัตมาเองก็ยังปฏิบัติตนไปตามปกติคิดว่ามาทําด้วยใจบริสุทธิ์หลังจากนั้นก็อยู่มาอีกหลายคืน ก็นิมิตภาพอีกแต่ว่าคราวนี้เป็นผู้ชายชารารูปร่างสูงใหญ่ประมาณสองเมตรกว่าเห็นจะได้นุ่งผ้าจงกระเบนไม่สวมเสื้อแต่ว่ามีผ้าผ้าทับบนบ่าอยู่ไว้ผมทรงโบราณใบหน้าดุดันแต่แฝงไปด้วยความเมตตาพูดกับอัตมาว่าถ้าจะมาสร้างวัดก็อนุญาตแต่อย่าหวังในทรัพย์สมบัติใต้ดินซึ่งเป็นสิ่งของที่เจ้าของเดิมเขาหวงแหนถ้าสร้างด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วความสาเร็จต่างๆก็จะเกิดขึ้นเอง เป็นความอาถรรพ์ของเจ้าที่จะทางในวัดร้างแห่งนี้ในระยะแรกเป็นเหตุที่ทําให้อาัตามาเข้าใจว่าใต้ดินวัดนี้ต้องมีสมบัติโบราณอยู่แน่ไม่เช่นนั้นแล้วจะมีผีปู่สมเฝ้าทรัพย์รักษาอยู่ได้อย่างไรแต่อาัตามาก็ไม่ได้มีจิตอยากได้อะไรคงยึดมั่นในจุดประสงค์หลักคือการสร้างวัดจากนั้นก็ทําการถากถางหญ้าถมดินสร้างกุฏิสร้างศาลาในช่วงแรกนี้ใช้ทรัพย์ส่วนตัวเกือบทั้งหมด เพราะว่าจะไปเอาเงินทองจากญาติโยมในละแวกนั้นไม่ได้แน่เนื่องจากในช่วงแรกๆที่อาตมาเข้ามาสร้างวัดนั้นชาวบ้านเขาไม่พอใจเอาซะเลยเนื่องจากที่ดินที่พวกเขาปลูกสร้างบ้านพักอาศัยนั้นเป็นที่ทรณีสงฆ์ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะซื้อขายกันมาถูกต้องก็ตามซึ่งจากหลักฐานวิสุลธรมสีมาวัดนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด35ไร่เศษแต่ว่าในปัจจุบันเหลือเพียง2ไร่เท่านั้นซึ่งอาตมาก็ม่ได้แสดงกรรมสิทธิ์อิทธิพลประการใดเพราะเข้าใจว่ามันเป็น เวลาที่ผ่านมาช้านานเป็นร้อยร้อยปีแล้วแต่ชาวบ้านเขาก็ยังตั้งตัวแสดงความไม่พอใจยอยู่ดีซ้ำร้ายยังแสดงการลบหลู่ดูหมินด่าดทอดวงวิญญาณปูเ่เถนที่คอยปกปักรักษาวัด น, นี้อยู่ด้วยก็เลยเกิดอาถรรพ์กับคนเหล่านั้นไปนะคะ เรื่องราวที่ชาวบ้านแสดงความไม่พอใจแล้วก็ด่าทอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนเจอดีในะที่สุดค่ะเกิดกับคนข้างวัดนี่เองในช่วงแรกๆเขาไม่พอใจที่อาตมาเขาเข้ามาสร้างวัดแล้วก็ด่าทอปูเ่เถรลบหลู่ ด, ดูหมินต่างๆนานาในวัดท่านเป็นชนวนเหตุทําให้พระเข้ามาสร้างวัดสมัยนั้นมีศาลแล้วก็มีรูปปั้นปูเ่เถนองค์เล็กๆที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาศักดิ์สแล้วก็โยมคนนี้ก็ว่ามายืนพูดจาดูหมิน่นอยู่หน้าศาลปูเ่เถนหลังเล็ก ทั้งยังเสี้ยมสอนให้ลูกหลานสมาชิกในบ้านเกลียดปู่เถนแล้วก็ด่าทอต่างๆไม่นานโยมผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ล้มเจ็บแล้วก็เป็นอรรมพาตต่อมาคนในบ้านก็ล้มเจ็บลงด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอรรมพาตตามกันเรียกกันว่าอรรมพาตหมดทั้งบ้า น, นะคะ่ะก็หลวงปู่บอกว่าพอจะรู้นะคะว่าดวงวิญญาณปู่เถรนนี่แรงมากใครจะมาลบหลู่ดูหมิ่นไม่ได้เลยภายหลังบ้านข้างวัดดังกล่าวคงเกิดสํานึกผิดจัดเครื่องเส้นไหวมาถวายปู่เถนเพื่อขอขมาลาโทษ ทำให้อาการเจ็บป่วยเป็นอมพาตก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็หายได้ในที่สุดค่ะปัจจุบันคนบ้านนี้หันหน้าเข้าวัดทำรรบุญบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ขาดข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปก็เลยทำให้คนบ้านอื่นๆในละแวะกวัดเกรงกลัวต่ออำนาจอาถรรพ์ของปู่เทนจึงไม่มีผู้ใดค่ะคิดในทางลบกับวัดปู่เทนนี้อีกเลยพระปีชาท่านกล่าวทิ้งท้ายไว้นะคะ